พระธรรมเทศนาแผ่นที่91อลำดับที่ส6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 3, สามสิงหาคม2559หมีชื่อเรื่องว่า <c oughs> เดินทางไกลหัวใจต้องแกร่งวันนี้ <c oughs> จังสถานีวิทยุในวัดของเราจะออกอากาศในวันนี้นะทดลองดูเพราะกูบาเพิ่งซ่อมสายใหม่เดี๋ยวทดสอบทดลองดูจะกระจายเสียงจากศาลานอกถึงสถานีเป็นยังไงเสียงออกมาเป็นยังไงนนวันนี้เป็นการ ทดสอบทดลองสถานีวิทยุของพวกเราลูกหลานทั้งหลายอยู่ในความสงบนัตีน ะ, ะต่อนนี้ไปให้ผู้หมวดเป็นผู้พานำสมาทานศีลเพราะวันนี้เป็นวั น, วนพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดนะแปลว่าเข้าพรรษามาได้สิบห้าวัน น, นนะคณะสัาญาติโยมลูกหลานกราบ อมินาสากาเลนานางบุธทธังอภิปูชยามาเอาต่อที่ไปตั้งใจสมาธานศินวันนี้เป็นวันที่3 ส, สิงหาคมพุทธศกราช2559พวกเราเร็กเข้าภรรษาตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคมไปว่าเข้าพรรษามาวันนี้เป็น15 15วันนะตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งจนถึงวันนี้เป็นแรม15ค่ำวันนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเราศีลนี่เป็นศีลที่สองที่เราจะได้สมาทานศีลในพรรษาภายใน12วันนะสีสามสิบสอง อันนี้เป็นศินที่สองก็ยังเหลืออีกสิบสิบวันวันพระเพราะนั้นให้อย่าให้พวกเราขาดตุกปกพ้องในการที่พวกเราที่ได้ตั้งอกตั้งใจสมาทานในพรรษาเพรนวันนี้ก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมามากพอสมควรเพราะว่าถ้าว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อีกอันนั้นคือส่วนหนึ่ง แต่นี้คือเป็นวันธรรมดาการแสดงว่าพวกเราผู้ที่มาในวันนี้ก็เกือบทั้งหมดมาเพื่อสมาทานศีลรักษาศีลตามที่ได้ตั้งอกตั้งใจแล้วว่าตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลรักษาจะมาไหวพระสวดมนต์ในพรรษา สมเดือนสา12ี่สบสองสบสงวันเพราะนั้นขอให้พวกเรามีความสัตย์จริงในจิตใจยอย่าได้ขาดตุกปกพ่องถ้าพวกเราได้ตั้งใจไว้แล้วนะผู้เป็นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะมาได้อันนั้นอีกส่วนนึงแต่ถึงยังไงอยากให้เป็นทางออกของกิเลสนี่นิด น, น, น้อ ย, อ ย, อ ย, อยก็มีอุปสรรคอันนั้นแปลว่าทางออกของกิเลสอย่าได้มี เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในจิตในใจของเราแล้วอุปสรรคนั้นะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเอาไว้ก่อนได้ไหมวันต่อไปเราจึงทำอีกได้ไหมหรือ่าคนอื่นทำแทนได้ไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้มแข็งนะไม่ใช่ว่ามีอะไรนิดหน่อยกับมีเป็นอุปสรรคทั้งหมดพอในสุดก็เลยกิเลสเอาไปกินอีกอย่างเก่านั่นแหละอย่างกิเลสภายใน จิตในใจของพวกเราเน้นๆหน่อยๆเล่นกัดจุงกัดมดกัดเป็นอุปสรรคไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหาทางออกเพรนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอย่าอย่าให้กิเลสหาทางออกให้กับตนเองเราต้องเข้มแข็งเราผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราจะประกอบคุณงามความดีอะไรก็ตามถ้าเราตั้งตั้งใจตัดชี้ใจแน่วแน่แล้ว ให้มันเป็นตามที่เราตั้งใจนั่นแหละคือผู้ที่จะเดินสู่มรรคผลด้วยเดินไปสู่ความสุขความเจริญทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าหาไม่เราไม่เข้มแข็งน ะ, ะกิเลสเอาไปกินหมดนะ่ะกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมฆะเข้ามาเอาไปกินต่อหน้าของเราเฉย เพราะอไรเพราะว่าเราอนะ่อนแอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อเรามีความสัตย์ความจริงอย่างไรให้เดินตามแนวแถวที่ความสัตย์จริงที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วนั้นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีลอุโบสถณวันนี้นะผู้จะรักษาศีลห้าก็มีผู้รักษาศีลอุโบสถก็มีแต่หลวงพ่อจะนำพารักษาอุโบสถศีลวันนี้พเพราะว่าเป็นวันพระเป็นวันสาคัญ เป็นวันแรม15บ้า่ำเดือน8ดเข้าพรรษามาส5้าวันเป็นสทิที่สองในวันนี้นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีหลังวิโสทาเย วันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรให้คณะทศาญาิโยมลูกหลานได้ฟังวันนี้เป็นวันที่สสิงหาคมพุทธศักราช2559หรลวงพ่อได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่29นะ่้คทศาญาิโยมที่29เ้าออกจากวัดไปขึ้นเครื่องแล้วลงกรุงเทพแล้วก็วันที่30เป็นวันเสาร์ไปฉันที่จิตโภชนาปาก แถวบางเขนร้านของคุณหลวงเก่าแต่คุณหลวงท่านก็ได้มรณะไปแล้วหลวงท่านนิมนต์หลวงพ่อมาตั้งแต่สมัยได้พบได้เจอกันท่านก็เป็นลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาของเราเนี่ยดึกดําบันเก่าแก่เดียวท่านรักเคารพในองค์หลวงตาอย่างมากคุณหลวงเนี่ยแต่เคยมาวัดเราหลายครั้ง แต่หนังสือที่พวกเราได้อ่านน่มีเล่มหนึ่งถึงเล่มเท่าไรเกือบเล่มสิบก็เป็นฝีมือของกลุ่มของท่านได้อ่านแต่งเป็นหนังสือเป็นการเชิดชูบูชาแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาแต่ท่านก็ได้จากไปตามอายุสังขารแต่ขันนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ยังลำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่ก็ได้ไปทหาวารีลงกรุงเทพก็ได้ แววเวียนไปก็เห็นพี่น้องประชาชนลงไปคราวนี้รู้สึกผมมากกว่าทุกครั้งแต่ก่อนบินทบาตครึ่งห้องต่อมาเต็มห้องเดี๋ยวนี้วันนี้ลงไปมะค่าวทีและบินทบาทถึงสามรอบในห้องนั้นคนเป็นหลายร้อยคนทีเดียวอันนี้คือฉันจังหันที่จิตโภชนาแล้วก็วันอาทิตย์ พอตกตอนเย็นของวันเสาร์ก็มีการไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่สวนแสงธรรมพราะพี่น้องประชาชนขโอโหไม่คาดคิดเหมือนกันมากแล้วก็ตอนเช้าของวันอาทิตย์ก็ฉันจังหันที่สวนแสงธรรมเพราะว่าเป็นเป็นวันจัดงานอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือน จะมีการทอดผ้าป่าสามากีเพื่อหาทุนหรือว่าสมทบทุนบุรณะดูแลสวนแสงธรรมค่านา้าค่าไฟค่าสถานีวิทยุมันได้ใช้จะถูกปัจจัยที่วัดสวนแสงธรรมเพราะไม่มีหลวงตาเองท่านก็ประกาศว่าไม่ให้พระจำภรษาแต่ให้เป็นสถ า, านที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท4เพราะนั้นพวกเราจึงถือว่าเป็นแหล่งเพาะชำ เป็นแหล่งบ่อเงินบ่อทองเป็นแหล่งที่สร้างบุญสร้างกุศลของพี่น้องประชาชนได้มาร่วมฟังธรรมเทศนาและกั บ, บํำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ในสวนแสงธรรมที่องค์หลวงตาที่ท่านได้รับเอาไว้ได้ก็ได้ให้พี่น้องประชาชนได้เขามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่31เกิดคฉัดอยู่ที่วัดสวนแสงธรรมอันนี้กับพี่น้องของ ล้นหลามอเอะเว้นกันมากแล้วก็วันที่1หลวงพ่อกับฉันอยู่ที่สวนแสงธรรมอีกรอบหนึ่งเพราะมีธุระที่จะต้องเดินทางพอฉันเสร็จแล้วก็จะได้ขึ้นมาทางอุดอรพอมาอุดรก็ยังไม่ถึงวัดนะไปพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพ็ญวัดทนรัตนะแต่ท่านรัตนะก็ไม่อยู่ท่านลงไปจะทําหนังสืออีกเล่มที่สออีกเล่มหนึ่ง หลายเล่มแล้วไม่ใช่เล่มที่สองจะแจกในวัน12สสิงหาวันเกิดของหลวงตาเป็นธรรมเทศนาของหลวงตาที่คัดกรองที่หลวงตาเทศต่างกลมต่างวรระในสถานที่ต่างๆในเรื่องจิตภาวนาเรื่องสมถะและวิปัชนาเป็นธรรมะที่นคัดกรองมาที่ว่าจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ได้ศึกษาในธรรมเทศนาของหลวงตา ก็เหตุเป็นหนังสือที่หาได้ยากอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันนะพอเหตุไรเพราะท่านไปคัดคณะศรัทธา ญ, ญาติโยด้วยพระด้วยไปคัดกองเอาธรรมเทศนาควักเอาแต่หัวใจนะ่ะเอามาลงไอ้พวกเราได้อ่านได้ศึกษาแต่ ว, ว่าคงจะแจกคนที่12บองพันธันรัตตะนะจึงเลยไปทําหนังสืออยู่ที่สวนแสงธรรมยังไม่ขึ้นมาพร้อมกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อมาพักที่วัดรวมธรรม วันที่หนึ่งวันที่สองเช้าหลวงพ่อกขามาฉันอยู่ที่สถานีตำรวจจังหวัดของเราเนี่ยนะกองกำกับจังหวัดของเรามีท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ท่านผู้บัญชาการภาคสี่แล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ใหญ่ไม่เยอะท่านพิชัยสุนทรสัจบุญอดีต ท, ทั้งเป็นสวทั้งเป็นตำรวจเก่าด้วยผู้ใหญ่มามาก สรุปแล้วก็คือมีการทอดพระปาทําไมที่ตํารวจก็คือทางตำรวจได้รับคําสั่งมาให้ทําสถานีนย่อยคือสถานในอุดรมันใหญ่เกินไปเวลาคนเข้ามาเนะข้ามามันล้นเหมือนกับโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลมีแต่โรงพยาบาลจังหวัดรับไม่ไหวจึงมีโรงพยาบาลอําเภออย่างลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันทางจังหวัด สถานีใหญ่ของจังหวัดรับไม่ไหวก็เลยแบ่งให้เป็นสถานีย่อยมีโนนสูงแห่งหนึง่งนาขาแห่งหนึง่งแล้วก็ห้วยหลวงแล้วก็กุดจับแห่งหนึง่งที่ท่านทำสามแห่งแต่คาสั่งตกมาแล้วแต่เงินไม่ตกมาที่นี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปตั้งสานักงานไปตั้งทำงานที่ไหนภผู้การจังหวัดท่านก็เลยน่าจะ เป็นการทอดป่าปล า, าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนท่านจึงมองมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีท่านผู้กมกับนายูงของเราเนี่ยเป็นผู้นีมนุ์ประสานหลวงพ่อเขาไม่ปฏิเสธเพราะว่าทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติถึงยังไงตํารวจเป็นผู้รักษาพิทักษ์เป็นผู้พิทักษ์สันติราชของพี่น้องประชาชนอ่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เอาพระในวัดของเราแล้วก็พระวัด รวมทำด้วยวัดหลวงพ่อบำรุงอที่ท่านมาจากกรุงเทพท่านก่อนเอาไปช่วยๆไปตํารวจก่อนนะท่านก่อนว่างไหมท่านว่างอยู่ครับเออเอาไปเกระเล่นิ ม, มนต์ท่านองค์หนึ่งมาร่วมกันเมื่อวานนี้ปี่น้องประชาชนก็ร่วมกันทอดได้เงินทั้งหมดเก้าแสนกว่ากว่าแต่ี่เราก็เห็นว่า แต่ท่านผู้กำกับแต่ท่านได้ท่างานนี้ท่าใไดสักล้านกับก็คงจะบริหารไปได้ครับหลวงพ่ออืมแสดงว่าท่านผู้การจังหวัดท่านก็ไม่เว่อร์หรือว่าไม่ลืมตัวท่านก็วัดท่านได้ขนาดนี้ก็พอจะบริหารไปได้แต่ว่าคนฟังฟังรุ่นแล้วก็เออนานนับถือเพราะว่าท่านแบบท่อมตอนนะแต่หลวงพ่ อ, อเออพอเสร็จแล้วก็มีการทอดกระถินก็ยังท่านหลวงพ่อก็เลยอเอออ้าว คณะสงฆ์คณะวัดปานาคําน้อยกลุ่มข้องเราหลวงพ่อขอสมทบผภาป่าในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยนะสอง0 0นหลวงพ่อก็ประกาศเพราะนั่นเองคณะทัตไทญาติโยมนะอนุโมทนาในการบุญการกุศลในคราวนี้โดยพร้อมเพียงกันนะเพราะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะอันนี้ก็เพื่อสร้างขึ้นมาคือเพื่อสาธารณประโยชน์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ต้องได้พึ่งพาอาศัยกันไปด้วยกันอันนี้ก็คือผู้พิทักษ์สันติราชรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแต่เมื่อเช้าทาทราบว่าผู้หมวดติดบอกว่าทางน้นเขาไลายมาบอกว่ายอดผ้าป่าทั้งหมดได้ประมาณล้านสามแสนต้นหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เออเอาเป็นที่พอใจนั่นละเมื่อวานพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมานะมาถึงวัดก็ประมาณชักตอนบ่าย ภารกิจหรือสาธารณกิจของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อเรียนบอกเราให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าไปอะไรบ้างทำประโยชน์อะไรบ้างากับพี่น้องประชาชนในละวันนี้ก็เป็นวันพระแรม15าค่่เดือน8เป็นวันพระ เข้าพรรษามาวันพระแรม8ปดค่ำเดือนหนึ่งอันนี้ก็แรม15้าค่ำแปลว่าเข้าพรรษามาได้15วันอันนี้ก็เป็นการทดสอบทดลองเป็นการทดสอบพวกเราอีกเหมือนกันนะพวกเราจะเข้มแข็งมุ่งมั่นขนาดไหนในการรักษาศีลของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าได้ขาดตกปกพ่องในการรักษาศีลตั้งคําสัตย์ในใจของพวกเรา ทุกทุกท่านใครตั้งคําสัตว์อันไหนก็ให้ตรวจตราดูอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่ามันขาดตกบกพร่องอเราต้องบ่นสองเหมือนกันทำไมวะสมมติว่าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดอพอตอนเย็นมาทะเลทถลายนอนหลับไปก่อนเนีไม่ได้ไหวพระคืนเนี่ยมันขาดไปพอวันที่สองต่อมาเนี่ย เราทําวัดอีกสองครั้งพอทําเสร็จแล้วก็ทกําอีงทําไมทําทดแทนเมื่อวานเนี่ยมันขาดนี่แหละอย่าให้ขาดตก ป, ปกพ่องตอนเช้าก็เหมือนตอนเย็นเหมือนกันหรือเราไม่ในมารักษาศีลก็เหมือนกันถ้าเราขาดวันไหนเราต้องรักษาศีลวันที่2เพิ่มอีก อ, อันนี้ก็คือสัจจะที่เราตั้งไว้แล้วอย่าได้ให้ขาดตุก ป, ปกพ่องการกระทําศีลใดถ้าประกอบคุณงามความดี ทางว่าเราอ่อนแอร้อยล้อกิเลสมันจะเอาไปกินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตนน้นผมเลนขอให้พวกเราขนาันทศธาญาติโยมการประกอบคุณงามความดีให้เข้มแข็งส่วนฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันให้ทั้งอกตั้งใจการบวชมาในพระพุทธศาสนาให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจให้มีสัจจะในเจตนิดในจิตในใจของพวกเราให้พวกเรามีสัจจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร ถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงหลวงพ่อบอกได้เลยว่าผลมันต่างกันเยอะแยะเลยน ะ, อ, ะอันนึงกับทาหล่อๆแหละอันนึงกับทำด้วยความสัตย์ความจริง้ารรู้ธรรมด้วยความสัตย์จริงถึงยังไงยังไงก็มองเห็นช่องเห็นทางที่จะเดินไปสู่มรรคสู่ผลได้ทั้งที่เราก่อนมาบวชเราก็คิดว่าจะตั้งใจบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศตน ถวายชีวิตในไว้ในพระพุทธศาสนามุ่งมั่นต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเขามาบวชเข้ามาแล้วเทั้งลิ้นทั้งยุงกัดด้วยออทั้งใครพูดไม่ถูกหูบัง เ, เขาอยาจะให้เขาร้องเพลงกล่อมอยู่ทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นเหรอมาบวชมาอยู่วัดมันก็ต้องมีบ้างมีขวากมีน้ำบ้างมีอะไรบ้างมาอยู่ในวัดก็ต้องมีมดมีลิ้นมียุง อ, อมีต่อมีแตนบ้างเ อ, อไปอยู่นะสถานที่ใดมันต้องมีอยู่ในโลกเนี่ยนี่แหละการที่มีสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นการทดสอบทดลองความขันติคือความอดทนของเราวิริยะความเพียรของเราสติปัญญาของเราล้วนแล้วจะเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์เป็นหนทางที่เราจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้เออ ยอมรับหรือว่ารู้จักทางหลบทางดีกรู้หลบเป็นปีกลู้หลีกเป็นหางนกกาอาศัยซึ่งปีกหางไปสู่ทางที่ประสงค์จงดังหมายเป็นสุภาษิตโบราณเขาได้แต่งเอาไว้นี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาบวชสิ่งไหนก็ตามแต่จะไปหลบหลบแล้วไปหานอนทำความชั่วเสียหายอันนั้นห ล, ลบแบบกิเลส ถ้าหลบแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราเห็นแล้วมองดูแล้วไม่สิ่งไม่ดีรเราหลบยอมแพ้ยอมแพ้ในสิ่งที่มันเลวสิ่งในสิ่งที่มันชั่วเขาจะดาเขาเก่งกว่าให้เขาเก่งซะเพราะเขาอยากจะเก่งแต่ในใจของเรานี่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหวังทางความหวังหาทางพ้นทุกข์หลีกเลี่ยงไปหาทางพ้นทุกข์ ไปสู่มรรคผลนิพพานตัวนั้นอย่าให้ขาดตกปกพ้องอให้ยอมแพ้กิเลสเแต่ว่ามุ่งหวังอัธรรมเข้าสู่จิตใจตัวนั้นอย่าได้ขาดตกปกพ่องให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผล ต, ต่อพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเป็นผู้ทรงอัดทรงธรำ ข้าพเจ้าจะเดินตามสายนั้นเท่านั้นใจของเรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นในจิตใจถึงยังไงบางทีมันก็จิตใจของเรามันก็มีท้อถอยบ้างแต่ถ้ท้อถอยยังไงก็เถดเดินมาก็จะงมะีหลักยึดถึงด้านจิตใจศีล ส, สมาธิปัญญาขัานติวิริยะปัญญาของเราอยู่เบื้องหลังหนุนเราอีกอยู่ เราก็พร้อมที่จะสู้อีกต่อไปผลที่สุดก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางสมความมุ่งมา่นปราถนาได้แต่ถ้าเราไปเพียงแต่มดกัดต่อแตนต่อยนิดหน่อยท่านเองอ่ อ, อนหมดกําลังใจอ่ อ, อนด้อยไปหมดอันนั้นแปลว่าผู้ไม่สู้พอกลับไปทางคารวาัตข้าจะกลับมาทําไมกลับให้งโงอทาไมเอกเนี่ย เราก็คิดดีแล้วก่อนเราไปมาตำหนิตัวเองอีกนะจะแปล ว, ว่าเป็นผู้เลาะแหละเป็นผู้ไม่มั่นไม่แล่งต้องแล่งในการประพฤติธปฏิบัติธรรมการประกอบคุณงามความดีต้องต้องแล่งไม่ใช่อ่อนแอนะหลวงพ่อนี่ยให้พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้มีความพยายามประกอบคุณงามความดีตลอดถึงศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละ ชีวิตของเรามาถึงปู่นี้แล้วใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองต่างคนก็ต่างตรวจตราดูชีวิตของเราที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีสาระประโยชน์ที่เป็นที่เราที่จะพึ่งพาอาศัยมีอะไรบ้างแล้วมีเพียงพอหรื อ, อยังมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเรา เพราะนั้นขอให้พวกเราถ้าเรายังขาดตกบกพร่องอยู่แค่ว่าเงินในกระเป๋าของเรายังน้อยอยู่ที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเดินทางไปต่างประเทศถึงยังไงยังไงก็ต้องตกทุกข์แต่ยากแน่ๆเพราะเงินในกระเป๋าของเราไม่เพียงพออันนี้เราก็ต้องใครจะเป็นคนช่วยเราถ้าเราก็ต้องหาเองมาใส่กระเป๋าของเราในเมื่อของเรามีเงินในกระเป๋ากระเป๋าตุงแล้วแตนี่ เราที่จะไปประเทศไหนเมืองไหนเงินในธนาคารบัตร ATM ของเราเพร้อมหมดทุกอย่างเราพร้อมที่จะไปประเทศไหนในโลกไปได้ทั้งหมดนั่นแหละอันนี้ก็คือตัวของเราเองมองตัวของเราจะให้คนอื่นอบอกประมาณการให้กับเราไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละการประพฤติธปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างองคหลวงตามหาบวัวท่านก็ยืนยันในตัวของท่าน บอกว่าเราพอแล้วออชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วขึ้นพันประกาศในตัวของท่านเ อ, อท่านเชื่อมั่นครับว่าเงินในกระเป๋าของเราเต็มเราพร้อมที่จะไปได้สุดจุดหมายปลายทางเรา เ, ออเราไม่ต่ากว่านี้อีกแล้วบรออิบูรณ์แล้วนี่แหละอันนั้น ค, ค, คือความพอนี่พวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า และยังไม่เป็นถ้ายังไม่เป็นเราก็ต้องแสวงหาเงินคําทรัพย์สมบัติเข้าสู่กระเป๋าของพวกเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันขาดตกอะไรตรงไหนเราก็พยายามรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตภาวนาเนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเราเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เรื่องทานก็เออเอาเราก็จะได้ประมาทเพราะมันเป็นหนทางและมันเป็นแนวทางเป็นเครื่องเครือคุนหนุนกันเราก็สร้างเรื่องทานแต่เรื่องศีลนนเราก็ประกอบคุณงามความดีอย่างนี้ล่ะรักษาศีลเพื่อเป็นเครื่องเครือคุหนุนแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําอีกนะไม่ใช่ว่าให้ทานรักษาศีลก็ไป น, นอนทั้งวันไม่ได้คิดอะไรเลยจิตใจเออละเหยลอยลมคิดปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวัน อันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเสร็จแล้วแล้วก็ตรวจตราในความคิดของเราตรอมความคิดของเราให้มาเป็นหนึ่งให้ภาวนาบางครั้งได้ห้ า, านาที10นาที20นาทีไม่ให้จิตใจปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างที่ลุงพ่อเคยแนะนําบอกกล่าวพวกเราได้อ่านได้ได้ฟังธรรมะได้ศึกษามาไม่รู้กี่ครั้ง ก, กี่โหนแล้ว เพราะนั่นขอให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นนะการฟังของเราหลวงพ่อมั่นใจเพราะพวกเราได้ฟังจนเต็มหูทั้งสองข้างตนเต็มใจในหัวใจของเราได้เรียนรู้ได้รับทราบทุกอย่างแล้วมีแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยพวกเรายังอ่อนนี่แหละก็ว่าภาคปฏิบัติของเราเนี่ยยังอ่อนใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ย้อนมองดูเจ้าของมองดูตัวเองสิ่งไหนที่มันขาดตกบกพร่องเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้เต็มตื่นขึ้นมองอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าเงินของเรามีเพียงพอหรืหอยังที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้เราก็มองดูดูที่กระเป๋าของเราถ้ามองดูกระเป๋าของเราโอ้ เราได้หาเงินเข้าในธนาคารเราจะสั่งเบิกเท่าไหร่บัตร a T. M. เของเราบัตรอะไรต่อมิอะไร เ, เงินประกันของเรามีพร้อมหมดทุกอย่างในทวงเราพร้อมแล้ว เ, เราก็ภาคภูมิใจถ้ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอเราก็พยายามเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอีกสักวันหนึ่งมันจะพร้อมเองถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่ง ม, มั่น มีการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอยู่แต่ข้อสำคัญไปอย่าไปนอนใจอย่าไปชราใจเท่านั้นแหละให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่ามรณงเมพวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะต้องทิ้งหนะ้าใจนะ้าเนี่แหละเราเตือนเราถ้าคนอื่นเตือนเราก็มึกนึกโมโหให้เขา อย่างที่หลวงพ่อเตือนขณนะนี้ก็เหมือนกันนะฟังแล้วก็ทำแม่งทำแม่งในจิตใจแต่เอาเถอะนะแต่มันก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆนั่นแหละหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดให้กับพวกเราคณะัทายาติโยมพระเนรลูกหลานให้ศึกษาให้ได้ฟังนะถึงจะพอใจไม่พอใจในจุดนั้นก็ตามนะแต่เอาความจริงมาพูดโดยมากใจของเราน่ยไม่ชอบบางถึงบางอย่างบางครั้งเออเอา ชอบอยุกความจริงเอาความจริงนั่นมาพูดแต่เขาพูดคำจริงเข้าไปจริงๆตัวเองก็หงายหลังอีกเหมือนกันนะั่นนะบางครั้งก่นั่นนะรับไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันนะั่นนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านฝึกฝนในตัวของเราไม่ต้องให้มีใครมาเตือนล็อกเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของเรานะั่นนะการกรองตรตองเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเ อ, อ่ยใช่ไหมที่พระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเนะี่ยจริงไหมเนี่ยท่านมีแต่เอาความจริงมาพูดมากล่าวมาตักเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นคนดีให้เดินให้เดินไปสู่มรรคสู่ผลไปสู่มรรคผลนิพพานฮนะแต่ทางโลกเราก็ไม่ได้คาไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะทางโลกเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะ มันขยันอดทนในการแสวงหาปัจจัย4อันนี้เราก็ไม่ได้ตําหนิน ะ, ะไม่ใช่ว่าหันไปทางธรรมแล้วก็ปล่อยทางโลกไม่ใช่ทางโลกเราก็พยายามอย่าได้ขาดตกบกพร่องให้มันขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพแต่ทางธรรมปล่อยปละละเลยก็ไม่ถูกอีกเราก็ต้องมุ่งมั่นในอัตในธรรมในศีลในธรรมศีล ส, สมาธิปัญญา ทำคำสอนของพธธุทธะอันนี้เราก็ให้หมันขยันทําไปอีกเพื่อสสแสวงหาทางหาเงินเข้ากระเป๋าต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ข้ามพบข้ามชาติเมื่อตายไปแล้วในหลักทำคําสอนของพธธุทธะเนี่ยท่านยืนยันบอกกล่าวว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้แหละให้เราศึกษาในเมื่อศึกษาดีแล้วกว่า น, นั้นเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเร า, เราก็อุ่นใจนะคณะสัาญญาตยาชาโยมนะ ไม่วิตกไม่กังวลไม่ววาเหว้างวางเงียมเหงาซึมเศร้ามีอะไรลับได้ทั้งหมดทั้ทงดีทั้งชั่วสิ่งที่ที่มันไม่ดีเอาสกัดออกเราก็รู้ว่าในโลกนี้มันมีไม่ใช่มันมีแต่สิ่งที่ดีที่เราต้องการปรารถนาไม่ใช่ทําให้จริงมันเกิดมาทำไมพวกปิง่งพวกลิ้นพวกงูเหางูชงอางพวกลิ้ น, พ ว, พ, วนพวกยงตัวต่อตั ว, ตวแตนพวกมด เออสิ่งที่ไม่รับมันปาาน่าแตมันเกิดประโยชน์อะไรออยุงมันเกิดประโยชน์อะไรออมีแต่เป็นพิษเป็นภยัยมันเกิดมาทำไมจะทำยังไงได้ล่ะเราเกิดมาในโลกจะทำยังไงมีแต่ว่าเราอย่ามาเกิดเท่านั้นเองเออพวกพุทธเจ้ามาเกิดมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้เออทั้งปวกทั้งหมดทั้งลิ้นทั้งยุงทั้งออสัตว์ที่ไ่พึงปราถนาคู่คนดูดาว่ากล่าดูถูกเจ็ดย้า อาฆาตหมาดร้ายมันมีทั้งหมดน αι, ในโลกเลยถ้าเกิดมาพบนายชนะอาจจะมาหนักกว่านี้อีกออแต่ขณะนี้คนได้รับการศึกษาดียังมีกฎกติกา ก, กฎหมายคุ้มครองก็ยังอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เ, เกิดอยู่ศึกสงครามไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองรับประ ก, กันต่างคนก็ต่างเค้นฆ่ากันแต่ยุคนั้นเป็นยังไงคงจะทุกข์มากมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไป เลือกเกิดได้หรือที่จะมาเกิดในจุกใดโดยมากผู้มีบุญท่านั้นเลือกเกิดได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่ามรกเกิดทันทีที่สุดจะทํำยังไงจึงจะมาไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัะสงสารพระพุทธเจ้าท่านแนะแนวต้องเดินตามมรรคานี่ยมรรคาปฏิปทานี่นะมรรคแนี่นะสัมนะสมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นประโยสารนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่าน เดินตามแนวแถวของพุทธพระพุทธองค์พานเดินมาแล้วพ้นทุกแล้วครูบาอาจารย์พ้นทุกแล้ ว, ลวไม่มาเวียนไหวตายเกิดแล้วนั่นแหละถ้าหากว่าเรายังมาเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องพบต้องเจอแน่นอนน ะ, ะไม่เรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งต้องทกแน่นอนอไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้เพราะฉนั้นให้พวกเราเทั้งอกตั้งใจภาวนาบำเพ็ญกุศลเออเกิดมาในภพพุทธาศาสนา การบำเพ็ญทา น, นาศีลภาวนาถึงจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามขอให้เครื่องอันนี้สงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวัฏสงสารจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวเทพรพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พา ด, ดําเนินพาข้ามโอเคสงสารข้าพเจ้าขอขอข้ามโอเคสงสารขอไม่มาเวียนว่ายตายเกิด กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทอในจิตในใจของเรานะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทีนี้นะ